พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ความเป็นจริงนี้มีส่วนที่เรามองเห็นกัน และส่วนที่เรามองไม่เห็นกันส่วนที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องอาศัยผู้มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าที่สามารถมองเห็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถเห็นได้พวกเราตอนนี้เห็นได้แต่ที่สิ่งที่ร่างกายเห็นได้ เช่นข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆบ้านเรือนต่างๆต้นไม้ภูเขาถนนหนทางอะไรต่างๆเหล่านี้เราใช้ตาของร่างกายเห็นกันได้แต่ยังมีสิ่งที่ร่างกายคือตาของร่างกาย <c oughs> ไม่สามารถเห็นได้และมีอยู่และเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเรา<ม>พวกเรานอกจากมีร่างกายแล้วเรายังมีจิตใจด้วย<ม>และสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจนี้<ม>เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกาย เราต้องใช้ใจเป็นผู้มองเห็นแต่ใจของพวกเราตอนนี้กำลังถูกสิ่งปิดกั้นอยู่คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาปิดกั้นใจของเราจึงทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ใจควรจะเห็นได้ เราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่สามารถที่จะกําจัดสิ่งที่ปิดบังใจของท่านได้จึงทําให้ท่านเห็นสิ่งที่ใจสามารถเห็นได้และก็สามารถที่จะรู้ว่า สิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจนั้นทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีคืออะไรนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องอาศัยบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าและพระอนุลันตาสาวลกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้บอกพวกเราเพราะตอนนี้ตาของพวกเราคือตาใจตาในนี้ มองไม่เห็นถูกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาปิดกั้นเอาไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่ตาหรือใจคนจะมองเห็นได้ถ้าเรามองเห็นสิ่งต่างๆที่ตาใจเห็นได้เราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับสิ่งต่างๆ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเราไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยกับใจของพวกเราสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยใจของของพระพุทธเจ้าเองหรือใจของพระอารันตสาวงเองคืออะไรบ้างก็คือนรกสวรรค์นี่เองนรกมีจริงสวรรค์มีจริง การทำบุญเป็นเหตุที่จะทำให้ไปสวรรค์เป็นความจริงการทำบาปเป็นเหตุที่จะทำให้ไปนรกไปอบายเป็นความจริงการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆก็เป็นความจริงเหตุที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชานี่เอง<ม>ที่เป็นตัวที่พาให้ใจนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่เรื่อยๆ<ม>นี่คือสัมมาทิฏฐิ<ม><ม>ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมบ่อยๆเราจะได้รู้ว่า<ม>นอกจากร่างกายแล้วเรายังมีใจ ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแน้จายนี้แหละที่จะไปไปต่อร่างกายนั้นเขากลับคืนสู่ธาตุสี่ที่เขามาที่เป็นส่วนผสมทำให้เกิดไม้มีร่างกายขึ้นมาพอร่างกายตายไปร่างกายก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมคือธาตุทั้งสี่ กับคืนสู่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำและธาตุดินตามลาดับแต่ใจนี้ผู้ที่มาใช้ร่างกายให้ทำอะไรตามความอยากต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นผู้ที่จะต้องเดินทางต่อไปจะไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่นรก<ม>ไปอยู่ในอบาย หรือจะไปนิพพานไปสิ้นสุดการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของใจเองถ้าทำบาปก็จะไปอยู่ในอบายไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้าง เป็นนรกบ้างถ้าทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพถ้าปฏิบัติจิตภาวนาทำสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมถ้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาชำระใจกาจัดสังโยชน์คือกิเลสตัณหาทั้งสิบ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จะไปสู่พระนิพพานไปสู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือวิถีทางของใจที่จะต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมศึกษาบ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะได้สัมมาทิฏฐิ สิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราตาของร่างกายของเราสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะใช้ดูสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันก็คือตาใจหรือตาในแต่ตอนนี้ตาตาในหรือตาใจของพวกเรานี้ถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาปิดกั้นเอาไว้จึงทำให้เรามองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นนรก มองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดมองไม่เห็นเหตุที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันและมองไม่เห็นว่าการยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรฟังเทศไปแล้ว ความเห็นเหล่านี้ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาในใจของเราไปฟังแต่ละครั้งก็จะได้สมาธิเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องนำมาไปพิจารณาเอาไปนึกเอาไปคิดเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลื ม, มแล้วเราจะได้คำตอบของคำถามที่ว่ามนุษย์เหล่านี้เกิดมาทำไมกัน มันก่อนเห็นคนเขาคุยกันว่าไม่รู้เกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่เห็นมีอะไรเลยเกิดมาแล้วทำอะไรมากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่รู้จะเกิดมาทำไมแต่ก็ไม่รู้ว่าการเกิดอะไรเป็นเหตุที่พามาให้เกิดและก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้การไม่กลับมาเกิด นั้นเป็นไปได้ mm hmm. พวกนี้แสดงว่ายัางไม่มีสัมมาทิฏฐิ mm hmm. ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะรู้ว่าออ mm hmm. การที่เรามาเกิดนี้มีหน้าที่เดียวเท่านั้น mm hmm. ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. ที่ทรงสอนไว้สามข้อใหญ่ๆด้วยกันคือข้อหนึ่ง ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงอันนี้เพื่อให้เราได้ปิดประตูอบายกันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายทั้งสี่ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาน<ม>เป็นเปรตเป็นอนุสุลกาย<ม>ไปตกนรก<ม>นหน้าที่อันข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทํากันก็ก็คือให้มาปิดประตูอบาย การที่มาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ mm hmm. ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เพราะหนึ่งไม่รู้ว่าพระเจ้าพูดอย่างไรสอนอย่างไรเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง mm hmm. ก็จจะเข้าใจภาษาใบ mm hmm. เช่นถ้าเราใช้มือ เรียกเขามาใช้เสียงเรียกเขามาเรืออะไรทำนองนี้เขาก็พอจะเข้าใจแต่จะให้สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอบายเรื่องการทำบาปเรื่องการละเว้นจากการทำบาปนี้มันลึกซึ้งเกินไปกว่าที่สัตว์เดรัจฉานจะเรียนรู้ได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ แล้วก็อาจจะมีพวกเทวดาบางพวกเท่านั้นที่เป็นพวกที่มีความสนใจในธรรมและก็มีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอรหันตสาวกก็ดีที่มีอภินยามีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้เท่านั้นจึงจะสามารถฟังเทศฟังธรรม จากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอนันตสัมมาโกได้ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอนันตสาวกที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้โลกเทวดาก็จะไม่ไม่มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้เจริญสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาให้รู้ว่าควรจะทําอะไรกับการมีชีวิต คนจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด mm hmm. การใช้ชีวิตของมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ส, งสุด mm hmm. ก็อย่างที่ได้พูดมาข้อที่หนึ่งก็เรามาปิดประตูอาบายกัน mm hmm. อย่าเปิดประตูอาบายเปิดประตูอาบายแล้วมันต้องเข้าไปมันจะถูกอาบายดูดเข้าไป mm hmm. ถ้าทำบาปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปเกิดนัยอาบายกัน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 ถ้าคิดไปถ้าคิดจะทำบาปก็จะยับยั้งไม่ได้ <Yeah. S 2> แต่ถ้าไม่ดื่มสละาาไม่มีอาการมึนเมาเวลาใจคิดทชื่อทำบาปก็สามารถยับยั้งได้ yeah. Yeah. นี่คือสิ่งที่จะพาให้ใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจะต้องไปรับผลบาปที่ทำไว้คือไปอยู่ในอบาย yeah. ถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่<ม>นพวกที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็น ม, มันไม่ควรจะเป็นบาป<ม>แต่มันก็เป็นบาปเพราะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานเี่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ด้วย เขาก็อยู่ได <äd God> <ints> ้ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดใหญ่ก็กินสัตว์น้อยเพื่อการดำรงชีพของเขาถ้ามนุษย์ทำแบบสัตว์เดรัจฉานก็แสดงว่าจิตใจได้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วพอเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองมีเกิดถ้าทำบาลด้วยการ ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลที่จะตามมาถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยมีแต่เรื่องหิวโหวยให้มาบรบกวนจิตใจฝันแต่เรื่องหิวโหวยคิดแต่เรื่องหิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ตอนเป็นดวงวิญญาณเป็นเศษ น, นี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมา ให้กับวกับดวงวิญญาณได้ต้องอาศัยรอส่วนบุญของญาติพี่น้องหรือท่านผู้มีจิตเมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้เท่านั้น mm hmm. ก็จะอยู่แบบหิวโหยไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้มันหมดลง mm hmm. ถึงจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ mm hmm. เช่นเดียวกับสัตว์ในราชาลก็ต้อง เกิเป็นเดรัจฉานไปจนกับบาปที่ส่งให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดกําลังลงถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้สัตว์นั้นชนิดนั้นชนิดนี้จะมาทําร้ายตนก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่เรื่องหวาดกลัวหวาดเสียวมาหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลาดเวลา เหมือนคนที่นอนหลับแล้วฝันแต่เรื่องที่หน้าหวาดเสียวหวัดกลัวทั้งหลายก็จะตกอยู่ในสภาพนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่ส่งให้เกิดผลนี้หมดกำลังลงถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ตาต่อตาฟันต่อฟันเขาทำเราเราก็ต้องทำกับเขาไปสองเท่าเขาด่าเราเราก็ตีเขาเขาตีเราเราก็ไปฆ่าเขาแบบนี้เป็นการจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทใจก็จะลุกเป็นไฟด้วยไฟของความโกรธความอาฆาตพยาบาทดวงวิญ ญ, ญาณก็จะถูกไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทนี้เผาผลาญไปเรื่อย จนกว่าบาปที่ได้ทําไว้หมดกําลังลงจึงจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มักจะติดนิสัยเดิมมาเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะกลับมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยรักทรัพย์ก็จะกลับมารักทรัพย์เคยประพฤติผิดประเพณีก็จะกลับมาประพฤติผิดประเพณีเคยโกหกหลอกลวงก็จะกลับมาโกหกหลอกลวง ไปดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่างๆก็จะกลับมาดื่มสุรายาเมาเหมือนเดิมเพราะมันติดเป็นนิสัยไปยกเว้นว่าถ้าได้มาเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ดื่มเขาไม่ทําบาปก็ จ, จะถูกสั่งถูกสอนถูกห้ามปรามไม่ให้ทําบาปก็ จ, จะสามารถเปลี่ยนนิสัยได้นิสัยจากการทําบาสมาเป็นนิสัยที่ไม่ทําบาบได้แต่ถ้า ดื้อหรือไม่ไม่เชื่อฟังผู้สอนมีเวลาว่างมีเวลาที่หลบไปน่ะหลบไปทําบาปได้ก็จะไปทําบาปถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่หนักมีสันดานที่ไปในทางชั่วชั่วในการทําบาปต่างๆอย่างนี้ก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนาบายไปเรื่อยๆมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มาทําบาปใหม่ ตายไปก็กลับไปอยู่ในอบายใหม่ก็จะเวีือนว่าตายเกิดอยู่ในสภาพนี้ที่เรียกว่าทุกขติไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอนันตาสาวกแล้วเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการทำบาปนี้จะทำให้ต้องไปเกิดในอบายต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในอบายเรื่อยๆ ถ้าไม่อยากจะไปทุกข์ทรมานในบาปก็ต้องมาเปลี่ยนนิสัยถ้าชอบทำบาป ก, ก็ต้องพยายามฝืนเลิกทำบาปสมาทานศีลห้าถ้าในตอนต้นตอนเริ่มต้นยังทำรักษาศีลห้าไม่ได้ทุกวันก็ลองมารักษาในวันพระสักหนึ่งวันก็ยังดีทุกอาทิตย์จะมีวันพระไว้ให้รักษาศีลกัน<ม>ก็มาทดลองรักษาศีลห้ากัน มันธรรมดาถ้ารักษาสีลข้อไหนได้ก็รักษาไปถ้ายังรักษาห้าข้อไม่ได้รักษาได้สองข้อสามข้อก็รักษาไปดีกว่าไม่รักษาเลยเ<ม>พราะเมื่อเราเริ่มรักษาแล้วเรามันก็จะเริ่มมีกำลังที่จะรักษาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>แล้วเราเห็นจะเห็นคุณเห็นประโยชน์จากการรักษาสีลว่าเรา มีความรู้สึกดีขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจจะน้อยลง mm hmm. ต่างกับเวลาที่เราทำบาปทำบาปแล้วจิตใจมักจะว้าวุ่นขุนงัวทุกทุกวิตกกังวลกับวิบาสที่จะต้องตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว mm hmm. พอเรามารักษาสีนได้ใจเราก็รู้สึกเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้น ความทุกข์ความหนัก อ, อกหนักใจก็น้อยลงไปมันก็จะทำให้เรามีศรัทธาที่จะรักษาสีลเพิ่มขึ้นไปตามลำดับต่อไปเราก็จะสามารถรักษาสีห้าได้ถ้าเรามีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันฟังเทศมันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะ ไม่สงสัยว่าการกระทำบาปนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับเราไม่มีคุณมีประโยชน์อะไร<ม>สิ่งที่เราได้มาก็เป็นสมบัติชั่วคราวไปขโมยทรัพย์เขามาก็ใช้ได้ไม่นานก็หมดหรือถ้าไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ด<ม>ีไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างแท้จริงจากมันมสู้อย่าไปทำบาปดีกว่า แ้วเราจะได้ไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายกันนี่คือถ้าถามว่าเราเกิดมาทําไมก็เกิดมาเพื่อปิดประตูอบายนี่เพราะอบายนี้เป็นที่ที่เราไม่กลืนไปเหมือนไปติดคุกติดตารางดีๆนี่เองทำไมเราจึงไม่ไปทําผิดกฎหมายกันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทําผิดกฎหมายกฎหมายก็จะต้องมาจับเราไปลงโทษนั่นเองจะต้องจับเราไปติดคุกติดตาราง นอกจากพวกที่เป็นหัวดือ้อหัวนั้นและคิดว่าตัวเองเก่งสามารถหลบเลีก<ม>กฎหมายได้<ม>ก็อาจจะกล้าทําบาป<ม>แต่เขาอาจจะหลี ก, ลกคุกหลีกตารางได้แต่เขาจะหลีกอบายไปไม่ได้<ม>กโแห่งกรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะหลบหนีได้ กฎหมายอาจจะหลบหนีได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจำนวนน้อยไม่พอจับคนทั้งหมดหรือจับมาแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลทางการเมืองก็ดีทางการเงินก็ดีก็สามารถที่จะทำให้ไม่ต้องติดทุกข์ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ยังไงจิตใจก็ไม่สบายจิตใจก็ทุกข์ เวลาทุกครั้งที่ทำบาปนี้ต้องคอยหลบๆซ่อนๆไม่กล้าที่จะมาเปิดตัวอยู่ในที่สาธนะารณะกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษนั่นเองนี้คือข้อที่หนึ่งว่าทำไมเราเกิดมากันทำไมเกิดมาเพื่อทำอะไรเกิดมาเพื่อปิดประตูบายแล้วข้อที่สองก็คือเมื่อเราปิดประตูบ่ายได้แล้ว เราก็ไปเปิดประตูสวรรค์กันเพราะถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานในภพนี้ชาตินี้ตายไปเราก็จะต้องไปต่อหน้ที่จะไปต่อที่ดีที่สุดก็คือไปสวรรค์นั่นเอง<ม>พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลกันทำบุญชนิด ต, ต่างๆทำความดีชนิด ต, ต่างๆแล้วแต่เราจะถนัดทำความดีแบบไหนก็ทำไป ทำบุญทำทานด้วยข้าวของเงินทองด้วยการรับใช้สังคมเป็นจิตอาสาหรือทําอะไรที่เราสามารถทําให้ผู้เขาได้รับคุณได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราเราก็ทําไปทําความดีต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจิ่งตอบแทนจากผู้ผู้ที่เราไปทําความดีด้วยหรือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากใครก็ตามไม่ได้หวังที่จะได้รางวีรางวัล ได้รางวัลเกียรติยศยกย่องว่าเป็นคนดีได้ทำความดีอันนีซ้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่เราไม่ไปสนใจนะเพราะเราต้องการไปสวรรค์อย่างเดียวการทำบุญทำกุศลนี้เพื่อเปิดประตูสวรรค์รถ้าเราชาตินี้ยังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ อย่างน้อยการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะอยู่ในสุขติตายแล้วก็ไปสวรรค์จากสวรรค์ก็ลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเป็นมนุษย์ก็มามาเปิดประตูสวรรค์ใหม่มาทมําบุญทําความดีใหม่ถ้าเราทําได้เพียงระดับนี้เราก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่ดีสวรรค์นี้เป็นที่ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์แทบจะไม่มีเลย สวรรค์นี้ถ้าเปรียบเทียบในโลกมนุษย์ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองทำไมพวกเราจรึงชอบไปไปท่องเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆเพราะมันให้ความสุขกับเราความทุกข์นี้แทบจะไม่มีเลยทุกคนจึงชอบเที่ยวกันชอบไปที่นั่นชอบไปที่นี่เวลาไปแล้วก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินสวรรค์ก็เป็นแบบนั้นเป็นสอนเป็นที่ท่องเที่ยวของดวงจิตดวงวิญญาณ เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วตอนที่เรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่พอเวลาเราตายไปร่างกายตายไปเราก็ต้องอาศัยบุญที่เราทํานี่แหละเป็นสิ่งที่จะพาให้เราได้ไปเที่ยวไปดูของไปสัมผัสกับของที่มีแต่ความสุขนี่ก็คือ ข้อที่สองว่าเรามาเกิดทําอะไรกันเรามาเกิดเพื่อมาทําบุญกันเอาเงินเงินทองเข้าของนี่มาทําบุญกันดีกว่าดีกว่าเอาไปซื้อความสุขแบบชั่วคราวความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ใช้ น, นเาเงินไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแทนที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็แบ่งมาซื้อบุญไว้บ้างก็ดี ซื้อสวรรค์ไว้บ้างก็ดีเหมือนกับไปจองตั๋วไว้ก่อนจองทัวร์ไว้ก่อนทัวร์ทิพก็เรียกว่าทัวร์ทิพนะตายไปจะได้ไปเที่ยวในโลกทิพไปเที่ยวในสวรรค์กันถ้าเราไม่ทําบุญทํากุศลทําบุญทําทานทําความดีเราก็จะไม่มีทัวร์เราก็จะไม่ได้จองทัวร์เวลาตายไปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์กัน ก็จะอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบไม่มีสุขไม่มีทุกข์รอรอเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเรารักษาศีลเราก็ปิดประตูอาบายเราก็ไม่ไปอาบายแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์เราก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์เวลาร่างกายนี้ตายไปก็รอไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> ชีวิตก็ไม่มีความสุขสดชื่นเหมือนกับการได้ไปเป็นเทวดาเ <Yeah. S 1> นี่คือ หน้าที่ที่สองของการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าถามว่าเราเกิดมาทำไมก็ เ, เกิดมาเพื่อเนี่ยเปิดประตูวตวสวรรค์กันด้วยการทำบุญทำทาน ด, ด้วยวิธีการต่างๆทำบุญการให้ทำทานนี่คือการให้สิ่งที่เราให้ก็มีหลายอย่างที่เราสามารถให้ได้สิ่งที่เรามีเกินความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บเอาไว้หรือให้ไปแล้วเราไม่เดือดร้อน เช่นถ้าเรามีเงินเหลือใช้เหลือกินเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 1> เอาเงินส่วนนี้มาทำบุญทำทานกันหรือเอาเงินที่เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปซื้อของหรูหราต่างๆสองของที่ไม่จำเป็นต่างๆเ <Yeah. S 2> ช่นซื้อกระเป๋าใบละหลายหลายหมื่นหลายแสน <Yeah. S 2> ซื้อรองเท้าคู่ละหลายหมื่นหลายแสนอะไรทำนองนี้ มันเป็นสิ่งที่เหมือนฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นรองเท้าคู่ละพันสองพันก็ใช้ได้กระเป๋าใบละพันสองพันก็ใช้ได้เหมือนกันทําไมต้องเสียเงินมากมายทําไมซื้อเอาเงินส่วนเกินนี้จากการซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านี้ไปทําบุญทําทานดีกว่าเราตายไปเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ไปเที่ยวนในสวรรค์กันแต่ถ้าเราเอาเงินซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ เว่าตายไปแล้วเอาของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ไปกับเราไม่ได้เอารองเท้าคู่ละแสนไปไม่ได้เอากระเป๋าใบละห้าแสนไปไม่ได้เอาอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุเข้าของเงินทองนี่ไปไม่ได้เลยไปก็จะไปไปอยู่แบบคนไม่มีความสุขไม่มีสถานที่ไปท่องเที่ยวเพราะไม่มีไม่ได้จองตั๋วไม่ได้ซื้อตั๋วจองทัวร์ไว้ไม่ได้ทําบุญทําทานะ ตายไปก็เลยเหมือนกับไปติดคุกติดตารางอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ให้ไปไหนไม่มีที่เที่บายก็ไม่ไปที่สวรรค์ก็ไม่ได้ไปอยู่กองกลางจะสุขก็ไม่สุขจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์รอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถึงจะสามารถไปทําอะไรตามความอยากต่างๆได้แต่ถ้าทําบุญแล้วเราก็ไปสวรรค์ทันทีทำมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูง เหมือนกับคนที่ใช้เงินมากไปเที่ยวก็ซื้อไปไปหาที่พักที่มีราคาแพงๆได้โรงแรมที่พักก็มีหลายราคามีหลายดาวหนึ่งดาวสองดาวสามดาว4ี่ดาวห้าดาวมีการบริการมากน้อยไม่เท่ากันชั้นใดกนการทำบุญก็เช่นเดียวกันก็มีแบ่งสวรรค์ไว้เป็น6สันกชั้นด้วยกันทำบุญน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ำ ทำบุมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงชั้นสามก็ความสุขน้อยกว่าชั้นสูงนี่คือสิ่งที่เราควรจะทํากันในขณะที่เรามาเกิดม า, มามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อย่าอยู่เฉยเฉยอย่าใช้เงินใช้ทองไปกับสิ่งต่างๆที่ความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ จะเป็นโทษกับจิตใจได้ด้วยเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นเวินยาเสพติดพอเสพแล้วมันจะติดพอเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์เวลาเงินหมดเวลาเงินไม่พอที่จะไปเที่ยวก็จะทําให้ต้องอยู่บ้านก็จะรู้สึกเหงาเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาหรือเงินไม่พอไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อของแพงๆต้องมาซื้อของถูกๆใช้มันก็ มีความไม่สุขและอาจจะเกิดความทุกข์ถ้าเงินไม่พอใช้ได้และอาจจะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทาบาปได้ด้วยพอเงินทองไม่พอใช้เคยใช้เงินทองนี้เคยใช้แบบฟุ่มเฟือยเคยอยู่ชีวิตแบบหรูหราก็ไม่ยอมลดค่าใช้จ่ายลงก็ต้องหารายรับเพิ่มรายรับที่มาได้ทางสุจริตมันไม่พอใช้ ก็จะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตไปหลอกลวงเอชาวบ้านหลอกลวงคนนูน้นคนนี้ให้มาร่วมลงทุนแล้วก็เอาเงินของเขามาใช้มากินมาเที่ยวมาดื่มต่อจนวันหนึ่งเขาจับได้ก็ต้องหลบหนีหลบซ่อนไปอยู่ต่างประเทศบ้างถ้าหนีไม่ทันก็ถูกจับเข้าไปติดคุกติดตารางไปตายเนี่ยเป็น ติดคุกแล้วไม่พอเวลาตายไปต้องไปไปติดในอาบายด้วยเพราะฉะนั้นการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราแบบไม่จำเป็นนี้มันมีโทษตามมา mm hmm. มันจะใช้แล้วมันจะติดเป็นนิสัยต้องใช้อยู่บ่อยๆแล้วพอเงินทองขาดมือก็ต้องไปหาเงินทองแบบวิธีทุจริตพอเลิกเลิกใช้ของฟุ่มเฟือยเลิกใช้ของหรูหราไม่ได้ mm hmm. น, นี่คือ เรื่องของการมาทําหน้าที่ของมนุษย์ข้อที่สองก็คือมาทําบุญมาเปิดประตูสวรรค์กันพอเราเปิดประตูสวรรค์ชั้นเทพได้แล้วเราก็จะมีกําลังที่จะไปเปิดประตูชั้นที่สูงกว่าชั้นเทพได้ก็คือประตูของชั้นพรหมชั้นพรหมนี้วิธีจะเปิดประตูของชั้นพรหมก็ต้องไปปฏิบัติจิตตะภาวนา จเจริญสมถะ ภ, ภาวนาเพื่อทําจิตใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ถ้าจิตเข้าฌานแล้วจิตก็จะอยู่ในพรมโลกทันทีวิธีจะเข้าฌานก็ต้องไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วใจที่เคยเสบรูปเสียงกลิ่นรสมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะอดที่จะอยากไปเสพไม่ได้ก็จะไม่มีถ้าไปเสพรูปเสียงจิตลดก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติจิตตภาวนามาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้จึงยําเป็นที่จะต้องไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆต้องไปถือศีลแปดกันศีลห้าศีลห้าก็เพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อ แล้วเปลี่ยนสินข้อที่สจากการเมมาเป็นอ布 ร, รมจาริยาสินหศินข้อสในี่สินห้านี้ยังอนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้หาความสุขจากการร่วมเพศกันได้แต่ถ้าจะมาฝึกสมาธิเข้าฌานนี้จะต้องเลิกเสพกามเลิกร่วมกันเสพ ร่วมหลับนอนกัน ร, ร่วมเพศกันจะต้องเลิกให้มาถึงเป็นพรหมจรมจรย์อ布รมจริยาเป็นศีลพรหมจรรย์คือเป็นศีลที่ไม่ไม่มีการหาความสุขจากการร่วมเพศกับใครก็ตามอัน mm. นี้คือข้อศีลศีลข้อที่สามของท้องศีลแปดต่างกับศี mm. ลห้าตรงนั้นก็เหมือนกันศีลข้อหนึ่งข้อสองเหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์เหมือนกันไม่ลักทรัพย์เหมือนกันอ mm. ศินข้อสี่ไม่โกหกเหมือนกันศินข้อห้าไม่ดื่มสุรายาเมาเหมือนกันต่างกันที่ศีลข้อ 3, สามศินห้ายังอนุญาตให้เสพกามในเสพกามได้ร่วมเพศได้เพียงแต่ต้องร่วมเพศกับคู่ครองของตนเท่านั้นไม่ให้ไปร่วมเพศกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองไม่เป็นสามีภรรยาของตน <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องมาสินแต่ก็มาเพิ่มอีกสามข้อ ก็ยุติเพื่อลดการเสพการ ม, มาคุณเสพความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้มารับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันจะไม่ไม่ดื่มไม่รับประทานอาหารอะไรอีกแล้วเ<ม>ครื่องดื่มก็มจะดื่มน้าเปล่าไปหรือน้าผ ล, ลไม้ไปเป็นต้นจะจะไม่ดื่มน้าที่มีส่วนผสมของอาหารเช่นนมเป็นต้น ไม่ต้องการให้หาความสุขจากกินเพราะมันจะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็จะทำให้มีอุปสรรคเวลาเจริญสตินั่งสมาธิจะมีความรู้สึกม่วงเหลาหา่าวนอนเกียดค้างไม่อยากจะทำถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้ต้องมีความอดทนเพิ่มมากขึ้นต้องมีความกล้าที่จะอ ด, <S S S S อ, ดอดอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็อดที่ ข้อที่เจ็ก็คืออดการไปหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงดูพวกบันเทิงต่างๆโทรศัพท์มือถือนี่ควรจะปิดเลยถ้าจะถือศีลแปดให้บริสุทธิ<ม>์เลือกใช้โทรศัพท์มือถือสักหนงวันถ้าจะใช้ก็ใช้เพียงแต่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นทางที่ดีโทรออกออก็ไม่โทรนอกจากมีมีเสียงโทรเข้าถ้าเป็นไปได้ก็ปิดไปเลยได้ก็จะดีกว่า เพราะถ้ามีการโทรเข้าโทรออกก็จะมารบกวนการปฏิบัติธรรมได้มีเรื่องต่างๆเข้ามาก็จะทําให้จิตใจวุ่นวายได้จะทําให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ยากลําบากเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ผลดีจากการปฏิบัติจิตตภาวนาก็ต้องปิดมือถือไปเลยเลิกใช้มือถือหนึ่งวันหนึ่งคืนเวลาที่เราไปอยู่วัดไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนี้ เขาให้เราติดต่อกับโลกตัดการติดต่อจากโลกภายนอกไปเลยถือว่าเราตายจากโลกภายนอกไปหนึ่งวันนะไม่ติดต่อกับใครไม่รับสายไม่โทรเข้าโทรออกใจก็จะได้ไม่ต้องมามีเรื่องให้วิตกกังวลทําให้เกิดอาจารย์อาการฟุ้งซ่านขึ้นมาได้จะได้ทําให้การเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดให้หยุดคิดนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นถ้ามีเรื่องให้ต้องคิดต้อง ต้องคิดต้องทำ<น>ดูหนังฟังเพลงก็จะทำให้ใจต้องใช้ความคิดกินอาหารก็ต้องใช้ความคิดต่างๆเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการรับประทา น, นดูหนังฟังเพลงมอาหาส บ, บันเทิงก็จะทำให้ใจต้องคิดอยู่กับเรื่องมอาหา บ, บันเทิง<น>ก็จะทำให้ยากต่อการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานได้ เราต้องกัดตัดกิจกรรมเหล่านี้ไปด้วยการถือศีลข้อที่เจ็ดข้อที่หกส่วนศีลข้อที่แปดนี้ก็มีไว้เพื่อให้เราไม่นอนมากเกินไปให้นอนพักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนตามความต้องการของร่างกายก็พอแล้วซึ่งร่างกายปกติวันหนึ่งก็ขอให้ได้นอนสักสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วหลังจากนั้นแล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรได้แต่ถ้าให้นอนบุญ ที่นอนที่สุขที่สบายมีฟูกหนาะๆเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วใจนี้จะไม่อยากจะลุกเพราะเห็นมันสุขมันสบายที่นอนที่นอนมันสุขมันสบายก็าอาจจะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงด้วยกันนี่ก็จะทําทให้เสียเวลามีค่าที่เราจะมาให้กับการปฏิบัติเพื่อไปประตูสวรรค์ชั้นพรหมนั่นเองเพื่อเราจิตเราจะได้เข้าฌานเราจะได้พบกับความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่จะเกิดจากการเสพการมะคุณห้าโดยเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเวลาใจสงบใจเข้าฌานแล้วใจสงบนี้ความสุขที่ได้นี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพการมไปร่วมหลับนอนไปเสพไปร่วมเพศกันหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงกันไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกันหรือไปกินอาหารชนิดต่างๆดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆกันความสุขเหล่านี้ จะไม่มีไม่ไม่เทียบเท่าได้กับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเพราะฉะนั้นการจำใจให้สงบนี้จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่เราควรที่จะพุ่งไปให้ได้ไปให้ถึงให้ได้ด้วยการตัดสิ่งต่างๆที่จะเป็นเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่จะคอยฉุดลกให้เราไม่สามารถไปเข้าไปสู่สงบสความสงบได้ สินห้าก็เป็นอย่างนี้สินแปดก็เป็นอย่างนี้สินห้านี้ไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้ไปสู่ความสงบได้เพราะความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสนี้สินห้าไม่ได้ห้ามไว้นั่นเองอยังดูหนังฟังพเพลงได้ยังร่วมรับร่วมเพศกับแฟนได้ยังกินอาหารตามเวตามความต้องการได้จะกินกี่มือ้อกี่ครั้งก็ยังกินได้ <Yeah. S 2> แต่นอนมุนที่นอน ที่สําราญที่สุขที่สบายจะนอนกี่ชั่วโมงก็ศี่ห้าก็ไม่ห้ามแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลินรสมาสู่ความสุขของความสงบของการเข้าสมาธิเข้าฌานนี้ก็จําเป็นที่จะต้องเลิกการเสพกางด้วยการถือศีลแปกันถือศีล8แล้วก็ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบด้วย ถ้าอยู่นถ้าอยู่บ้านแล้วถือสินประนี้อยู่อยู่ใกล้กับคนที่เขากินเขาดื่มกันพอเขาอยากจะกินเขาดื่มเขากินกันพอเราเห็นเขากินเขาดื่มมันก็จะทําให้ใจเรานี่วอกแวกนะไม่มั่นใจแล้วความอยากที่อยกินจะาดื่มของเขาก็จะเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดูหนังฟังเพลงดูเห็นเขาทําอะไรที่เขาเสกกลางกันมันก็ทําให้เรานี่ มีความรู้สึกอยากจะทําต่างเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่ใกล้กับบุคคลนรือสถานที่ที่มีการเสพกรามกันจะดีกว่าให้ไปอยู่ที่ที่ไม่มีการเสพกรามกันก็ไปอยู่ตามตามวัดปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆสถานที่เหล่านั้นเขาจะเข้ม ง, งวดกวดขันเรื่องการเสพรูปเสียงกลิ่นรดเพราะทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นก็จะไม่ดื่ไมไ ม, ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว บางแห่งก็ให้กินเพียงมือเดียวเสียได้ซ้ําไปแล้วก็ไม่ให้มีการดูโมหรสพบันเทิงต่างๆไม่มีการร่วมเพศกันผู้หญิงกับผู้ชายก็ต้องแยกนอนกันไม่ได้อยู่ไม่ให้นอนอยู่ใกล้กันนอนอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวไฟไฟกา ม, มมันจะลุกขึ้นมาได้ไให้แยกกันอยู่เพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการ จเจรสตินั่งสมาธินั่นเองการจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานได้นี้ใจต้องสถานที่ต้องมีสถานที่สงบสงดัดกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกวิเวกก็คือสงบสงดัดเราต้องเอาร่างกายเราไปตั้งอยู่ในสถานที่สงบสงดัด อ, อยู่ที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกลนใจเราแล้วก็ ให้เจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับให้เราคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจคิดไปคิดเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่ใจก็จะคิดหาเรื่องการมาคุณห้าหารูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเราต้องใช้สติคอยควบคุมมันไว้ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธ <c oughs> การบริกรรมพุทโธนี้เป็นการเจริญสติเป็นการสร้างสติให้ให้ใจมีกําลังหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธ ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แต่ถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ปุ๊บมันก็จะวับไปคิด ท, ทันทีช่วงนแรกของการปฏิบัตินี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องมีความอดทนมีความเพียรมากๆเพราะว่าการที่ให้ใจอยู่กับพุทธได้เรื่อยๆนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายพุทธะได้เพียงแค่สองสามครั้งมันก็วับไปแล้ววบไปต่คิดเรื่องนั้นววบไปคิดเรื่องนี้น ก็ต้องพยายามดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรก็อยู่กับการกระทำนั้นๆกำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวกาลังเดินกาลังยืนกาลังนั่งกำลังทาอะไรก็ให้อยู่กับร่างกาย เพื่อไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้จะใช้พุโทโธกับการเฝ้าดูร่างกายสลับกันก็ได้ช่วยกันก็ได้บางทีดูร่างกายด้วยแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปด้วยก็ได้อันนี้เป็นการเจริญสติตอนที่ตอนที่เรายังไม่ได้มานั่งสมาธิตอนที่เรายังต้องทํากิจนู้นกิจนี้อยู่ยังต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันยังต้องทําธุระส่วนตัวยังต้องทําความสะอาดสถานที่พัก ยังต้องรับประทานอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็อย่าปล่อยให้เวลาที่กระทำสิ่งเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้เจริญสติเพราะเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาและการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการนั่งสมาธิให้ใจสงบถ้าไม่เจริญสติมาก่อนเวลามานั่งสมาธิแล้วค่อยมาเจริญสตินี้จะไม่มีกำลังพอที่จะนั่งที่จะทาให้ใจสงบได้ นั่งไปแล้วใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆกว่าจะหยุดคิดกว่าจะทาท่าจะสงบได้ก็หมดแรงพอดีนั่งแล้วก็หมดกำลังนั่งต่อไปไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติไว้ก่อนว่งหน้าก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิพอถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธินี่มันก็จะทำให้ใจสงบได้ง่ายได้เร็วอันนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นมากเรื่องของการเจริญสติตเจริญ จำเป็นยิ่งกว่าการนั่งสมาธิเองเพราะถ้าเราไม่มีสติมานั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดผลอยู่ดี mm. ต้องมีสติก่อนถึงจะมานั่งสมาธิได้ mm. เมื่อมีสติแล้วเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเข้าสู่ชานขั้นต่างๆได้ mm. าการจเจริญสติจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต่อผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหม mm. สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ สวรรค์ที่ให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็เป็นสวรรค์ที่จะพาให้เราเข้าสู่พระนิพพานไปได้ตอนที่เราจะเข้าสู่นิพพานได้เราต้องผ่านสวรรค์ชั้นเทพผ่านสวรรค์ชั้นพรมขึ้นไปก่อนพอเราเข้าถึงสวรรค์ชั้นพรมนะเราก็จะสามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นเทพได้การจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นเทพได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือมีปัสสนาภาวนา คือการเจริญปัญญาคือการใช้สมาธิฐินี่แหละเอาสมาธิฐิที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมนี่มาชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเพราะในสมาธิฐิในการฟังธรรมนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่เรื่องายรักด้วยอริยสัจสีก็คือ เรื่องของทุกข์และเรื่องของการดับทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรดับได้อย่างไรทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรทุกข์เกิดขึ้นเพราะความอยากทุกข์นี้ทูทุกข์กอะไรก็คือทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจที่จะเกิดตอนที่ร่างกายแก่ตอนที่ร่งากรงกายเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ร่างกายตายไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครทุกข์ไปทุกข์กายแล้วยังต้องมีทุกข์ใจด้วยเวลาจะตายก็จะต้อง ใจก็จะต้องทุกข์อีกด้วยแต่เราสามารถกำจัดความทุกข์เหล่านี้ได้ถ้าเรารู้สาเหตุของการความทุกข์ของใจว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ของใจก็เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองการอยากจะเสบรูปเสียงกิจรดด้วยการใช้ร่างกายการอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ไปนานๆไม่มีวันตายความอยากเหล่านี้แนะมันเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้ เวลาที่ร่างกายแก่ใจก็ไม่อยากจะแก่ใจก็ไม่อยากให้ร่างกายแก่เพอไม่อยากให้ร่างกายแก่ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาเกวดการเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาเวลาร่างกายจะตายใจไม่อยากให้ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เราสามารถที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการมองความจริงของร่างกาย ว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรร่างกายนี้เป็นของที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายได้หรือไม่เกิดมาแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดได้หรือไม่เราก็ดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายเกิดแล้วมันก็ต้องมีการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลาดับพอโตเต็มที่แล้วมันก็เริ่มแก่ พอพอมันเริ่มแก่แล้วก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเนิ่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วถ้ารักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องตายไปอันนี้คือความจริงเราต้องมองต้องยอมรับให้ได้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังเราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามไม่ให้มันดับไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้มันเป็นของที่ต้องเกิดขึ้น ถ้าอยากว่าจะทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้ใจเราก็จะเฉยๆได้การที่จะทำให้ใจเราเฉยๆได้เราก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิก่อนถ้าเรายังไม่มีสมาธิจิตเรายังไม่สงบไม่นิ่งไม่เฉยเวลาเราไปเจอความทุกข์ทางใจเราก็จะเราก็จะหยุดไม่ได้เราจะทาใจให้เฉยๆไม่ให้เกิดความอยากไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิจนชํานาญสามารถสั่งใจให้อยู่นิ่งเฉยๆได้เวลาเกิดความอยากไม่แก่ก็บอกให้มันหยุดเวลาเกิดความอยากไม่เจ็บก็บอกให้มันหยุดเวลาเกิดความอยากไม่ตายก็บอกให้มันหยุดพอเฉยๆปล่อยให้ร่างกายมันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเราห้ามมันไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของเรามันเป็นอนัตตา มันอยู่ภายใต้คำสั่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี่แหละที่ทำตัวที่ทให้ร่างกายเจริญเติบโตและดินน้ำลมไฟนี่แหละที่จะทำให้ร่างกายเสื่อมร่างกายเจ็บร่างกายตายไปตามตามวัตจักของมันตามวงจรของมันวันนี้คือวงจรของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นการทำงานของธาตุทั้งสี่คือธาตุสีธาตุาดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ใจที่มาครอบครองนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องไปยับยั้งวงจรของการเวียวายการเกิดการแก่การเจ็บการตายของร่างกายได้ใจทำได้ก็เพียงแต่ทำใจเฉยๆยอมรับมันเท่านั้นเองถ้าใจเราทำใจเฉยๆยอมรับกับสภาพของร่างกายได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็คือการเจริญปัญญาเพื่อละความอยากละความอยากได้ใจก็จะบรรุ เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้สิ่งที่ต้งละความอยากก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่าสังโยชน์ละสังโยชน์สิบได้ก็จะสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ละสังโยชน์สข้อได้ก็ได้เป็นพระสกิโสดาบันละสังโยชน์เพิ่มอีกสองข้อให้น้อยลงไปก็เป็นพระสกิดาคามีละสั ง, สงโยชน์ทั้งห้าข้อแรกได้ก็เป็นพระอนาคามี แล้วก็มาละสังโยชนิข้าวข้อที่เหลืออยู่ละสังโยชน์ที่ห้าข้อได้หมดก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาก็ใช้หลักของไตรลักษณ์และใช้หลักของอริยสัจสีนี้อย่าไปยากอย่าไปยากกับร่างกายโสดาบันนี้ยังไปติดกับร่างกายยังอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็ต้องละความอยากอันนี้ ส่วนขั้นสูงต่อไปก็อยากยังอยากมีความร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็ต้องตัดความอยากร่วมเพศด้วยการเจริญสุภาษะพอเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามความอยากก็จะอยากจะร่วมเพศกับเขาก็หมดไปส่วนความอยากขั้นสูงของสูงจากนั้นไปอยู่ในสังโยชน์อีกห้าข้อก็ต้องไปตัดมันตัละสังโยชน์ทั้งห้าข้อได้ก็จะละความอยากที่มีอยในใจให้หมดสิ้นไปได้ อ oh, หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะไม่มีเหตุที่จะพาให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป mm. การเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไป mm. เมื่อเราละสังโยชน์ทั้ง10บได้ mm. ด้วยการเจริญ mm. ตายลักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วยการเจริญอริยสัจ4ี mm. ่ถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นตายลักก็จะสามารถละสังโยชน์ทั้ง10ข้อได้ ถ้าสั่งโยิบข้อได้ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไปอยู่ในนิพพานพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหรันต์พระอรหรันต์มีสองแบบด้วยกันพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสั้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองก็เป็นพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพวกที่บรรลุเป็นพระอาหานได้ด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าภาษาวกอ่าหนังตัสสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกก็คือลูกศิษย์นั่นเองหรือนักศึกษาผู้ฟังฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี้วันนี้เราก็มาฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิให้เรารู้ว่าเราจะต้องมาปฏิบัติอะไรกันพอเรารู้แล้วเราทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือปิดประตูบาย ด้วยการไม่ทำบาปเปิดประตูสวรรค์ด้วยการทำความดีทำบุญต่างๆเปิดประตูชั้นพรห ม, มโลกด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้แล้วก็ไปไ ป, ไปเปิดประตูนิพพานด้วยการไปเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักออได้พิจารณาว่าที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากในสิ่งที่เป็นตายรักนั่นเองเพราะถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากในสิ่งต่างๆ พ อ, อยืนในสิ่งต่างๆได้จิตก็จะตัดความอยากได้หมดสิ้นไปจากใจจิตก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมเป็นพระอรหันตพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้คน้คนค้นความรู้เหล่านี้ไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมากับตนเองไม่ได้คน้นด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะค้นหาความจริงเหล่านี้ได้ด้วยพระองค์เอง แต่พวกเราหล่านี้ต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างพระอรันตสาวกมาสั่งมาสอนอีกทีหนึง่งถึงจะสามารถที่จะทําให้เราบรรลุเป็นพระอรันตสาวกได้อย่างจะเป็นแบบไหนก็ไปถึงพระนิพพานเหมือนกันได้ความสุขของพระนิพพาน เ, เท่าเทียมกันได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันบรมีสุขเหมือนกันในการสิ้นสุดของการเวีนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่ต่างกันเพียงแต่วิธีที่ไปถึงจุดนั้นต่างกันเหมือนคนหนึงนั่งรถไปคนนั่งเรือไป นั่งไปถึงจุดหมายปลายทางนั่งเรือก็ไปถึงจุดหมายปลายทางพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วการจะไปแบบไหนก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไรเพราะถึงที่จุดหมายปลายทางเท่ากันได้รับผลประโยชน์เท่ากันเพียงแต่พูดเปรียบเทียบไม่ฟังว่าผ้าอารหันนี้มีสองสองชนิดด้วยกันอารหันตัดสัมมาสามพุทธเจ้าก็เป็นพาาระอรหันได้ด้วยตนเองตัดสรุปทาได้ด้วยตนเองเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนผู้ที่ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนํามาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพาาระอรหันได้เราก็เรียกว่าเป็นพาาระอรหันตสาวกเท่านั้นเองไม่มีไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่วิธีเข้าถึงพระนิพพานนี้ต่างกันเข้าถึงด้วยด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าเข้าถึงด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันตสาวกการเข้าถึงพระพระนิพานพานด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ง่ายกว่า เพราะว่ามีมีทางแล้วมีวิธีแล้วเพียงแต่ศึกษาแล้วดำเนินตามทั้งเองแต่เข้าแบบพระพุทธเจ้านี้ยากกว่าเพราะไม่มีทางไม่มีวิธีไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนวิธีปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงพระนิพพานอยู่ที่ตรงไหนต้องค้นคว้าต้องค้นหาเอาเองต้องทําทางไปอย่างนี้ยากกว่ามากต้องเป็นคนที่มีบา ร, รมีสูงอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถพบทางสู่การเป็นพระอาหารหันต์พบทางสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาทางด้วยตนเองแล้วเพราะเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราควรจะมีก็คือมีความยินดีในธรรมนั่นเอง อินดีที่จะฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมไปเรื่อยฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆพระเจ้าสอนว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะฟังธรรมสักหนึ่งครั้งสอกําหนดวันฟังธรรมขึ้นมาวันธรรมเทศวันธรรมธรรมธรรมอะไรนะวัฒนธรรมภาษาบาลีจำไม่ได้นะวันฟังธรรมคือวันพระนี่ วันธรรมสวัสดีนะวันวันฟังธรรมอย่างน้นอยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งฟังธรรมแนวปฏิบัติแนวสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฐิเราจะได้รู้ว่าหน้าที่ของเรางานของเราที่เราต้องทําในการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งละการกระทําบาปเพื่อปิดประตูบายสองทำความดีทําบุญทำกุศลเพื่อเปิดประตูวสวรรค์สามชำระจิตใจให้สะอาดบริบสุทธ เพื่อเข้าสู่พระนิพพา น, นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการทางเทศทางธรรมเมื่อดูแล้วเรานํามาไปปฏิบัติเราก็จะได้ปิดประตูบายได้ได้เข้าสู่สวรรค์และเข้าสู่พระนิพพานตามลําดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาขลัง เอวามวาอิโตตินังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปะทิตังกุมหังคิดประเมวาสมิจโตสัพเพเปรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามลิโชติอรโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะรโควินัสตุ มาเตภวตวันตลาลโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถาม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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ330ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ342 YouTube Dr. V 47วิทยุออนไลน์สิบสองคลับเฮากนาคุต141รวมทั้งหมด878ท่านค่ะมีชาวต่างชาติอย่างเชิงทางทาง s p e a k close to the microphone very close very close The microphone, yeah. Yeah, uh, Ajahn, uh, please. Uh, uh, please accept my gratitude and Speak respect. b i r o t e r please. i r e r Ajahn, please accept my gratitude and respect, please. Um, my question is like, when I practice the breath meditation, uh, then uh, I feel some stress and tension on the face area. I try to uh, reduce my effort. Or uh, ignore the stress and tension over the face. Uh, uh, to to ignore that, I need to use the forceful effort to know the breath or touch of the breath. And when I do that, uh, it feels un uh, uncomfortable uh, or not happy. So it would be difficult to proceed. So, Ajahn, could you please uh, suggest anything? Well, basically, it's because Your mindfulness is still not strong enough to force the mind to stick with the breath. So one of the r e m e d s is to practice mindfulness before you meditate. You can do mindfulness practice from the time you get up. As you, as soon as you get up, watch your body, watch your movement of your body, whether the body is standing, sitting, walking, lying down, or doing something, eating. Uh, taking a shower or uh, dressing, whatever the body is doing, just keep watching the body to prevent your mind from go and think about other things. And this is one of the remedy. If you can do this, when you sit down and watch your breath, you'll find it easy, no stress, because the mind doesn't want to go anywhere. It can stay with your body, it can stay with your breath. But if you still feel that when you sit, you still feel uncomfortable. Maybe you can use reciting a mantra or reciting the 32 parts of the body. Or if you know some chanting, you can do some chanting first mentally, chant mentally inside your mind as as if you are meditating. Instead of watching your breath, you just keep chanting first or recite the 32 parts of the body: h a v e the head, h a v e the body, nail, teeth, skin. Go through the 32 parts. Forward and backward. For after a while, you r m i n d will feel more relaxed, more comfortable, and you can watch your breath. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Okay, is that all? Yeah, that is. All. Try it. I, I, think this will be the the right remedy. Most people have not not enough mindfulness to to force their mind to stay with the breath. So when you start to force the mind, you get discomfort. Yes. m m i h t reacts t r o n g l y against any force, but if you, you you tame it down, calm it down, and your your mindfulness is stronger, then you can you can force it to watch your breath comfortably. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Uh -huh, microphone. q u a s t i o n f r o h o w are l i n i n g t u k a ข้อแรกทาไมคนเราเกิดมาจังเลือกเกิดไม่ได้คะทําไมต้องถามทําไมด้วยวะทาไมไม่ยอมรนะับตามความจริงวาจําไม่ได้ก็จําไม่ได้ก็เท่านั้นก็จบถ้าอยากจะจําได้ก็พยายามนึกถึงมันบ่อยๆถเรานึกถึงอะไรบ่อยๆแล้วเราจะไม่ลืมที่เราลืมเพราะเราไม่ไม่นึกถึงมันกินข้าวเมื่อเช้านี้ลืมไเวลาใช่ว่ากินอะไรแต่ถ้านึกถึงมันบ่อยๆถึงตอนนี้มันก็จะไม่ลืม งั้นเมื่อเช้านี้ใครดา่าเรานี้มักจะไม่ลืมเลยถึงตอนบ่ายยังจําได้เลยเพราะเรานึกไม่ห่อยงั้นอย่าถามว่าทําไมเลยคําตอบมันไม่มีหรอกคำตอบก็คือวิธีปฏิบัติกับมันดีกว่าจะทำอย่างไร <Yeah. S 2> จะได้ไม่ต้องทําไ ม, <Yeah. S 2> ม่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ปล่อยวางมันดีที่สุดจําไม่ได้ก็ดีแล้วก็ปล่อยมันลืมไป yeah. ถ้าอยากจะจำอะไรก็จดไว้ใส่ไว้ในกระดาษก็ได้จะได้ไม่ลืมค่ะถามว่าทำไมคนเราถึงจึงเลือกเกิดไม่ได้ค ะ, ะทำไมคนะอ๋ออันวันกี้ใช่ไหมคะขอ้ขอที่สองค่ะตามพระไตรปิฎกมีการแบ่งแยกระดับสวรรค์นรกจึงมี ทั้งที่จิตเมื่อลาสังขารไปแล้วก็น่าจะไปแบบปกติตายคือตายสังขารสลายไปจิตเป็นพลังงานก็น่าจะเหมือนกับพลังงานจนพลังงานศักดิ์พลังงานแม่อะไรที่อยู่รอบตัวเราไม่เหมือนนั่สิปัญหาคือจิตมันมีผู้มันมีตัวรู้อยู่มันมีตัวความรู้สึกอยู่พลังงานอย่างอื่นมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความรู้แต่ใจนี่มันมีความรู้มันมีความรู้สึกมันมีมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ แล้สุขทุกข์ก็เกิดจากการกระทาของมันเองทำดีมันก็สุขขึ้นมาทำไม่ดีมันก็ทุกข์ขึ้นมาทำดีเราก็เรียกความสุขเราก็เรียกเราก็เรียกว่าสวรรค์เวลาตายไปก็อยู่ในสวรรค์เวลาทุกข์ก็อยู่ในบายอยู่ในอยู่ในนรกเขาถัดไปค่ะการรับบาตรและนำแจกทานเพราะต้องอนุญาตหรือไม่จึงนำไปแจกคะอะ่ถ้าเขาไม่อนุญาตเราจะไปได้ยังไงล่ะ ถ้าไม่เขาไม่อนุญาตออกไปก็ขโมย น, นั่นเองต้องรอให้เขาอนุญาตก่อนอนุญาตว่าขาองนี่เอาไปแจกกันแบ่งกันกินกันได้นะไม่เป็นปัญหาอะไรเขาถัดไปค่ะจิตอยู่ในโลกจิตอยู่ในภาวะโลกวิญญาณถ้าจิตมีพลังงานแรงน่าจะนั่งสมาธิได้หรือไม่คะมันไม่ได้อยู่ที่พลังงานจิตไม่ใช่พลังงานอจิตเป็นาธาตุรู้เป็น เป็นสิ่งที่มีความสามารถที่จะรู้มีความรู้สึกนึกคิดได้แต่เราไปเรียกว่าเป็นพลังงานมันไม่ใช่พลังงานมันไม่ใช่เหมือนไฟฟ้าไม่เหมือนกับพลังอะไรต่างๆที่มีในโลกนี้คนละเรื่องกันันอย่าไปเพียบเอาจิตเอาจิตไปเปรียบเทียบกับพลังงานนี้มันเปรียบเทียบไม่ได้มัคนคละเรื่องกันเพียงแต่ว่ามันมันเหมือนกันตรงที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยด้วยตาเปล่าเท่านี้ เช่นเราไม่สามารถมองเห็นพลังของของกระแสวิทยุได้เรามีมือถือเราติดต่อกันด้วยกระแสวิทยุแต่เรามองไม่เห็นกระแสวิทยุจิตก็เหมือนกันจิตจะิตติดต่อกับร่างกายได้ด้วยกระแสของของของวิญญาณของจิตจิตสามารถติดต่อกับร่างกายสั่งให้ร่างกายทําอะไรได้ก็เกิดจากกระแสของจิตมาเกาะติดอยู่กับร่างกาย แต่มันเป็นค น, คนละเรื่องกันคนละอย่างกันจะมาเปรียบเทียบว่ามันเป็นเหมือนกันไม่ได้คําถามถัดไปค่ะการฟังธรรมแบบสดและการฟังธรรมจาก USB หรือมีเดียอื่นๆจะได้ผลบุญเหมือนกันไหมคะมันอยู่ที่สติฟังด้วยสติแล้วฟังไม่ด้วยสติสตถ้าไม่มีสติฟังก็เป็นเหมือนกับทัพทีในหม้ อ, อกแกงทัพทีในหม้ อ, อกแกงเป็นปีมันก็ไม่รู้เรื่องว่าแกงเป็นแกงอะไร ถ้าฟังแบบสติก็เหมือนกับฟังแบบลิ้นกับแกงพอมีอะไรมาสัมผัสกับลิ้นปั๊บจะมันก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงอะไรแกงจืดแกงเผ็ดแกงอะไรการฟังธรรมก็เหมือนกันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่สติถ้านั่งแล้วใจลอยใจไปคิดถึงเพื่อนคิดถึงขนมคิดถึงที่เที่ยวไม่รู้เรื่องว่าเขากาลังเทศอะไรอันนี้ฟังไปก็เหมือนกับไม่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นฟังส่วนหรือฟังของที่บันทึกเสียงไว้แล้วมันก็เหมือนกัน มันอยู่ที่สติไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันเป็นสดหรือไม่สดธรรมะของพระเจ้าเนี่ย 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วแต่ถ้าเราอ่านด้วยสติต่อมาให้ก่อนไม่มีเทศไม่มีไม่มีการอัดเสียงเนี่ยถ้าเราอยากจะฟังเทศของพระพุทธเจ้าเราต้องอ่านหนังสืออ่านพระสูตรต่างๆถ้าเราถ้าเราอ่านพระสูตรด้วยการมีสตินี่เหมือนเหมือนกับว่าเราฟังเทศต่ตอต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลย<ม>คําพูดที่เราอ่านจากหนังสือนี่มันกลายเป็นเหมือนเสียงเข้าไปในใจเราเลย ถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราอ่านแล้วใจเราลอย ค, คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สิ่งที่เราอ่านไม่เข้าไปในใจเรางะั้นต้องต้องต้องฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะด้วยการมีสติจดจอ่อไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคําถามถัดไปค่ะรืมอุทิศบุญให้แก่คนอื่นดังนั้นบุญนั้นจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่หรือมีวันมีวันหมดอายุหรือไม่คะไม่หมดละบุญมันอยู่กับเรา เป็นของเราจะหมดก็ตอนที่เราไปใช้มันตอนที่เราตายไปแล้วตอนที่เราตายไปแล้วเราไปเอาบุญไปใช้ละไปไปใช้ในสวรรค์แล้วพอบุญที่เราใช้ในสวรรค์หมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยแต่ในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นี้บุญยังไม่ได้ไปไหนบุญยังอยู่ในใจเราอยู่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้มันก็สะสมอยู่ในในใจเราเรายังสามารถอุทิศบุญที่เราทํานี้ให้กับผู้ที่ดวงรับไปแล้วได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับในขณะที่เราทําทันที อา บ, บุญเสร็จแล้วเราทําทันทีว่าเป็นเหมือนอาหารน่ยอาหารที่มันสดสดร้อนๆกับอาหารที่มันเก่าแล้วอาหารเก่ามันก็ไม่อร่อยบางทีจุดชื่ดหรือบางทีอาจจะบูดก็ได้เพราะบางทีเราไปเจออารมณ์อย่างอื่นมากบเราไปทํานู่นทํานี่มีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาผสมกับความสุขที่เราได้จากการทําบุญก็ได้เพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้อุทิศตอนที่เราทําเสร็จใหม่ๆเลย mm hmm. พอเราใส่บาตรเสร็จปับ๊บเราก็นั่งอุทิศฐานได้เลยขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านา น, นั้นท่านนี้ไปก็จบไม่ต้องมีน้ําไม่ต้องมีผ้ามาสวดไม่ไม่เกี่ยวกันการอุทิศบุญนี้อยู่ที่ใจของเราคําถามจากทาง youtube ดกร์ค่ะถ้าใจฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจะนําหลักธรรมข้อดำทำข้อใดทําใจให้สงบคะก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เราที่เจ็บไข้ได้ป่วย ผูที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ใช้ร่างกายเพียงแต่ว่าเราไปยึดติดกับร่างกายไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยเจ็บป่วยไปกับร่างกายเท่านั้นเองถ้าเราแยกแยะได้ว่าร่างกายกับเราเป็นคนละคนกันเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนเหมือนเรากับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้เจ็บเราจะไปเดือดร้อนทําไมเดือดร้อนก็ไปทําอะไรไม่ได้นะแต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา ร่างกายเจ็บขึ้นมาแล้วก็เจ็บขึ้นมากับร่างกายทันทีแต่ถ้าเรามีปัญญามีสติสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพียงแต่รับรู้เฉยๆไปเท่านั้นเองรับรู้ว่าร่างกายเจ็บแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นอกจากพาเข้าไปหาหมอให้ยาเขากินถ้าหายก็หายไม่หายก็ต้องอยู่กับก็ต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปจนกว่ า, ามันจะหายเองคําถามจากทาง youtube ดร์วค่ะ ขอทราบผลทาง ล, าลาักลัการกายทิฏฐิค่ะก็ละร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาให้กับเราให้เราเอามาใช้เหมือนกับรถยนต์ที่เราไปซื้อที่บริษัทขายรถเนี่ยรถกับรถยนต์กับคนซื้อคนละคนกันใช่ไหมคนละคนละส่วนกันคนซื้อก็ไปเอารถยนต์มาขับขับไปแล้วรถยนต์พังก็ทิ้งรถยนต์ไปแต่คนขับไม่ได้พังไปกับรถยนต์ ััันนนใดจกกกบบบร่างางย็แบบ้คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อตายออกจากร่างอยู่ในรูปของวิญญาณแล้วยังจำอะไรในตอนมีชีวิตได้หรือไม่ถ้าจำไม่ได้จะทำอย่างไรเมื่อถูกยมบาลถามเรื่องบุญบาปและเหตุใดเกิดมาจำอดีตชาติไม่ได้แต่รักโลบโกรธหลงกลับไม่เลือนหายค่ะ มันเป็นเรื่องของคุณเนีราไม่ใช่เรื่องของเราถึงเวลานั้นคุณก็ต้องตอบปัญหาของคุเองต่อไปก็ก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จกักวิธีทำวิธีทาก็คือฝึกสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบทําบุญเยอะๆแล้วไม่ต้องไปตอบคาถามเนาะบุญมันจะเป็นเหมือนบัตรเครดิตเราไม่ต้องถามว่าหมายเลขเท่าไหร่เลยเอาบัตรเครดิตให้เขาเห็นปั๊บเขาเขาสแกนปั๊บเขาก็จ่ายเราทันทีนั้นทําบุญไว้เยอะๆก็แล้วกันไม่ต้องกังวลว่าจะจําได้หรือไม่ได้ไม่ไม่สําคัญ คำถามจากทาง you tube พระอาจารย์สุชาติค่ะในพระนิพพานก็มีนามขันคือความจำอยู่แต่จิตจะใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้ถูกต้องไหมครับถ้ายังใช่คือจิตมีนามขันอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ผู้ใช้มีเหตุให้ใช้ก็ใช้ใชได้ไม่มีเหตุก็ไม่ใช้ก็ได้ คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะวิปัสนาญาและปัญญายาคืออะไรครับและเกิดได้ตอนไหนครับวิปัสนาปัญญาก็คำเดียวกันคือความรู้ความฉลาดความเห็นสภาพความเป็นจริงเช่นเห็นตายแล้วเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ย ข, ของร่างกายนีย่ก็เป็นวิปัสนาญาเป็นปัญญายาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาร่างกายอยู่เรื่อยศึกษาร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยง แล้วเราก็ you, วิเคราะห์ดูเราก็จะได้คำตอบว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะการเจริญปัญญาทำได้ทั้งหลับตาลืมตาทั้งนั่งและนอนยืนเดินใช่ไหมคะทำได้ตอนออกจากสมาธิโดยใช้ความคิดพิจารณาให้เป็นไตรักใช่ไหมครับใช่ คำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าถือสินแปดกินอาหารสองมือ้อแต่ว่าไม่กินแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่เกินเที่ยงได้ไหมคะหรือว่าต้องกินมื้อเดียวคะได้สินแปดไม่ได้ห้ามกินสามมื้อก็ได้กินแต่อย่าห้มันก่อนเที่ยงวันก็แล้วกันอย่าไปกินหลังเที่ยงวันโดยมันตั้งแต่แปดโมงกินทุกชั่วโมงเลยก็ได้ไ <laughs> ถ้ากินอย่านั้นก็อย่าไปถือสินแต่ให้เสียเวลาค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตที่ชอบความสงบไม่สูงสิงกับใครเวลามีสิ่งมากระทบให้ไม่พอใจทำไมถึงโกรธรุนแรงกว่าคนทั่วไปจะแก้ไขยอย่างไรคะยังโกรดยอยู่เลยค่ะค่นไม่ชอบส่งสินชอบความสงบเพราะยังไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าความโกรธจะเจอเกิด จ, จ, จ, จากความอยาก เช่นอยากจะอยู่คนเดียวพอต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็โกรธขึ้นมาต้องต้องหยุดความอยากเพบางทีเราอาจจะอยู่คนเดียวได้บางทีเราก็ต้องอยู่กับคนอื่นเมื่อเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องทําใจเฉยๆแล้วเราก็จะไม่เกิดที่โกรธเพราะว่าเราไม่พอใจที่จะต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้หรือไม่พอใจกับการกระทําของเขาเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราต้องใช้สติหยุดความไม่พอใจของเราใช้ปัญญาบอกอย่าไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากต้องอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆ บางทีมันมีความจําเป็นจะต้องเจอกันพบปะกันบ้างก็ต้องพบปะกันก็ต้องใช้สติยับยั้งความอยากไว้ใช้ปัญญายับยั้งความอยากแล้วใจก็จะไม่หงุดหงิดใจก็จะไม่โกรธง่ายคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคําถามค่อนข้างยาวนะคะขออนุญาตอ่านให้กระชับนิดนึงค่ะ เ, เขาถามว่าเขาฝัน เขาฝันที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเขาเได้ฟังวิทยุเสียงธรรมร่วมทรบุญต่างๆบวชชีปฏิบัติธรรมมาตลอดแล้วก็ชอบฝันถึงครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ใสปฏิบัติเนี่ยมีเมตตาต่อข้าว่ะค่ะบางครั้งก็ฝันว่าเป็นเคยเป็นลูก ของท่านเขาเลยขาจะถามว่าฝัลักษณะดังกล่าวนี้เป็นจิตใต้สํานึกหรือเป็นสายบุญเก่าในอดีตชาติหรือเป็นมงคลและกำลังใจพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นคดิคติธรรมเป็นอบายพิจารณาธรรมคะเป็นตายรักดีกว่าพิจารณาเป็นตายรักไปจบเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไม่มาก็ไม่มาไม่ต้องไปวิเคราะห์มันให้เสียเวลา พิจารณาแล้วปล่อยวางนะให้มันผ่านไปทำใจเราให้ว่างู่ดีกว่าดีกว่ามานั่งคิดปรุงแต่งทำให้จิตฟุ้งซ่านไปกว่าฝาไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะคำถามสักท่านเดิมนะคะถามต่อไปว่าบางทีก็เครียดและจิตตกก็ตั้งสติและใช้การพิจารณาทำข้อนั้นๆ ให้ผ่านพ้นไปอ่อขอโทษค่ะเขารู้สึกว่าชาตินี้เจอเหตุการณ์หลายครั้งที่ต้องพิจารณาและปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมขันติจักขะอภัยทานบางครั้งก็เครียดและจิตตกก็จะตั้งสติและใช้การพิจารณารำข้อนั้นๆให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาด้วยดีทุกครั้งตลอดมาข้อหนึ่งมีจิตคิดสงสัยว่าที่เจอมาคือการชดใช้วิบากกรรมในอดีตชาติหรือว่าคือการเจริญสติและสร้างสมบารมี ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องไปถามม<ะ>ันหรอกมันไม่รู้ไม่น่าไม่ต้องไปถามอันให้เราอยู่ในปัจจุบันหยุดคิดจะดีกว่าเี่คิดมากไปคิดไปแล้วก็ฟุ้งคิดแล้วก็มีคําถามตามมาเยอะแยะไปหมดถามแล้วก็ตอบเองไม่ได้เห็นถามไทําไมถ้าถามเองได้ทั้งตอบเองได้ us us. ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้าถามเองแล้วตอบเองไม่ได้ไปถามคนอื่นมันก็ไม่เป็นปัญญาอยู่ดีเป็นเป็นปัญญาของคนอื่นมันไม่ได้เป็นปัญญาของเรา ถ้าเร า, าจะได้คําตอบเราต้องหาคําตอบเองเพราะเราเป็นคนถามเองใชนะ่ไหมถามเวาถามถามได้ทำไมลตอบตอบไม่ได้ก็คงคนเดียวกันถ้าตอบไม่ได้ก็อย่าถาม <laughs> คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคารวะสามารถบรรลุทําได้ไหมเจ้าคะแล้วสามารถมาสอนทําให้บุคคลทั่วไปได้ไหมคะเ อ, อผู้บรรลุธรรมไม่ใช่คารวะหรือพระนะ ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้บรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือใจใจที่มีสติปัญญามีทางศีลภาวนานี้ก็บรรลุธรรมได้ทุกคนแล้วจะสอนใครก็สอนได้เพียงแต่ว่าขอให้มันรู้จริงก่อนถ้าบรรลุไม่จริงแล้วไปสอนคนอื่นไม่ได้จะทําให้คนอื่นหลงทางไปกับตนเองได้เห็นถ้ายังไม่บรรลุธรรมอย่างแท้จริงยังไม่ดุดพ้นอย่างร้อยเอร์เก็อย่าเพิ่งไปสอนใครดีกว่ามาให้เป็นพระอรหันต์ก่อน ให้มั่นใจว่าจิตใจไม่มีกิเลสลงเหลืออยู่แล้วแม้แต่นิดเดียวแล้วทีนี้อยากจะไปสอนใครก็ไปสอนถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันจะไม่อยากสอนใครสอนเพถูกบังคับไม่สอนมากกว่าถูกเพราะเข้ามาถามมาขอร้องอะไรเี้ถึงจะสอนแต่ยืนดีจะไม่ไปนั่งเลขคนนั้นคนนี้มานั่งมามาัมา้งจังจะเทศให้ฟังยไม่มีความอยาวกันนะไม่มีคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การที่เราทํางานบริษัทที่ฆ่าไก่เราทํางานอยู่ที่บริษัทนั้นจะต้องรับผลบาปด้วยหรือเปล่าครับและเจ้าของบริษัทจะได้รับผลไหมครับพระอาจารย์เราได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าแนตะ่เราได้ผลประโยชน์เราก็ต้องมันก็มีส่วนในการกระทําบาปถ้าเราทํำบาปว่าไม่ไม่รับผลประโยชน์เลยทําเพราะเราอาจจะมีความจําเป็นต้องทําอย่างนี้ก็เราถ้าไม่มีส่วนผลได้เสียเราก็ไม่มีส่วนแต่ทางที่ดีอย่าไปทำเลยดีกว่า ไปทำบริษัทที่เขาไม่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะดีกว่าคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะจิตที่จะเจริญปัญญาได้ต้องมีกําลังสมาธิระดับไหนครับกระดับที่จเจริญปัญญาได้เช่นความตายเนี่ยคิดถึงความตายได้หรือเปล่าคิดถึงอสุภะได้หรือเปล่าดูซากศพได้หรือเปล่าดูอการ32ได้หรือเปล่าถ้ า, ายังดูไม่ได้เวลาคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วใจไม่สบายก็แสดงว่าปาัญญาสมาธิยังไม่พอ จิตยังไม่นิ่งพอจิตยังต่อต้านกิเลสยังต่อต้านอยู่ต้องฝึกสติให้สงบให้จิตสงบจนกระทั่งเวลาเรานึกถึงความตายแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกเศร้าเศร้าหมองไม่รู้สึกเสียใจอะไรใดงไรถ้ายังรู้สึกอยู่แสดงว่าใจเรายังไม่พร้อมที่จะพิจารณาความจริง คำถามจากคุณสุชัญญาค่ะการที่เราทำบุญเยอะๆบ่อยๆแต่เราอยากได้ชื่อป้ายประกาศเกติกคุมความดีแบบนี้เราได้บุญไปสวรรค์ไหมคะเคยมันได้ทั้งบุญและทั้งกิเลสนียกิเลสก็คือความอยากยังติดยังอัตตาโตตัวอยู่ยังหลงอยู่ยัง ย, งยึดติดยังโลภอยู่ทำบุญต้องทำแบบไม่มีความโลภจะดีกว่าทาบุญแบบปิดทองหลังพระจะได้ความสุขร้อยเอร์เซ็ ถ้าทำบุญแล้วอยากจะติดชื่อแล้วบางทีเขาลืมติดชื่อหรือก็เขียนชื่อเราผิดท่านี่จะมีความสุขกับจะมีความทุกข์หรือความเสียใจขึ้นมาก็ได้เพราะนี mm ้ hmm. อย่าทำเพื่อหวังให้เขารู้ว่าเราเป็นใครเลยแต่ถ้าเขาจะไปติดชื่อเองโดยที่เราไม่ได้ขอร้องเขาเนี่ก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาติดไป mm hmm. ไม่ห้ามทําได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องติดก็ได้เราไม่ได้หวังไม่ได้ต้องการเอาชื่อเสียงทําบุญเพื่อเอาก็เอาบุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจ mm hmm. คำถามจากคุณทีทีธนาค่ะทีคัธนาค่ะนักปฏิบัติธรรมเมื่อเจอข้อสอบเกี่ยวกับร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ยังอ่อนไหวอยู่ก็แสดงว่ายังสอบไม่ผ่านใช้ไหมเจ้าคะแต่ก็ทำศักแต่ว่าศักแต่ว่าอยู่หนึงน่งเนืองจะต้องทำไปเรื่อยๆสักวันจะเฉยได้ใช้ไหมเจ้าคะานั่นแหละเฉยได้เมื่อไหร่ก็รู้ว่าผ่านถ้ายังไม่เฉยยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านคาถามจากคุณเรืองยศค่ะ การวางเฉยต้องวางจิตอย่างไรต่าง ก, กับเมินเฉยอย่างไรครับต้องฝึกสตินั่งสมาธิถึงจะรู้ว่าวางเฉยแท้จริงเป็นอย่างไรให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนแล้วจิตจะเฉย ห, หมดแล้วเหรอ ห, หมดแล้วใช่ไหมค่ะยังไม่มีคําถามใหม่คะ่ะก็สมพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้